อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการหรือเปิดสถานีในเช้าวนันนี้ด้วยรายการธรรมารับอรุณนะคะซึ่งสําหรับรายการธรรมารับอรุณทุกๆเช้าหลังจากเราเปิดสถานีตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งนั้นก็จะมีเรื่องธรรมะดีๆที่เป็นแง่คิดข้อเตือนใจหรือว่าอาจจะเป็นคําแนะนําดีๆที่เกี่ยวกับคําสั่งสอนของอ ง, อ ง, องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเพื่อเป็นความรู้แล้วก็ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติกันต่อไปนะคะทั้งนี้เพื่อให้เกิดทั้งศีลสมาธิและปัญญาแล้วก็เกิดความสงบในใจก็เรียกว่ามีความสุขในทุกที่ทุกสถานที่เราไปเพราะว่าจิตใจเราสงบเป็นจริงๆนะคะสําหรับในเช้าวันเสารว์วันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสากชาหรือว่าการสนทนาธรรมะนะคะซึ่งท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการประจําของรายการธรรมารับปรุณวันเสาร์อาทิตย์ ก็คงจะทราบกันว่ า, าเดือนเองจะได้มีโอกาสที่จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะที่จะซักถามพระอาจารย์ภั ย, ยบูรณพิพุโณ อ, อ่าพระอาจารย์ท่านผูน้อนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกร้นตามพุทธโอษของวัดป่าดอนหายโศกตาบนดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็เป็นหลักสูตรการอบรมที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกเดือนแล้วก็ มีลูกศิษย์ลูกหาที่ติดอกติดใจที่จะไปฝึกอบรมกันอย่างมากมายทีเดียวนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเดือนเพราะว่าหลักสูตรที่เคร่งครัดแล้วก็ปฏิบัติกันอย่างจริงจังได้ผลอย่างแท้จริงนะคะค่ะพบกันในเช้าวันนี้เราพบกันเป็นเช้า ว, วันอาทิตย์ ที่สานะคะของเดือนสิงหาคมแล้วล่ะค่ะคือวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2 5ง5ันะคะวันนี้เป็นวันขึ้นสองค่ําเดือน9แล้วค่ะก็ขอนําทุกฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการเพื่อที่จะสนทนาพูดคุยกับพระอาจารย์ของเรานะคะคือท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกเลยนะคะของพเพตรพระคุณหลวงพ่อทักรสะอาดที่ตภโสหรือท่านพระครูสิทธิภพากลซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาส วัดป่าดอนหายโศกนะคะกลาบนมัสการเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าคขาเจริญพรสาธุเจ้าข้าคุณคุณตุเจา้าข้าก่อนก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องอื่นๆเนีน่ยเอ่อมีมีประเด็นนิดนึงที่คุณตุเจเมื่อสกู่พูดว่าให้ธรรมะของพอระพุทเจ้าเนี่ยเป็นเอ่อเป็นคำสอนที่เราจะยึดถือไว้เป็นแนวทางปฏิบัตินเนี่ยนะเจ้าข้าเอ่อจริงๆตรงนี้ก็เลยอยากจะทําความเข้าใจนิดนึงในเกี่ยวกับเรื่องคือเพราะว่าพระพุเจ้าของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ฉลาดมากเจ้าข้าในเรื่องของการกําหนดบทเพลงชนะ เพราะนั้นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยพระองค์บอกว่าให้เป็นที่พึ่งให้เป็นที่พึ่งนะคือคนพึ่งตนพึ่งธรรมใช่ไหม<ช>ทีนี้ ค, ความยึดถือเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยเขาใช้คำว่าอุปาทานความยึดถือความยึดถือเนี่ย<ช>เป็นเหตุของความทุกข์เพรา<ช><ช>ะฉะนั้นเราปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเพื่อคลายความยึดถือน ะ, ะไม่ได้ให้ยึดถือเอาไว้เจ้าธรรมะเนี่ยเพื่อคลายความยึดถือไม่ได้ให้ยึดถือเอาไว้ไม่ต้องกลาวเลยถึงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม เพราะฉนเราจะพูดถึงธรรมะให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงให้เป็นเครื่องมือในการที่จะใช้ให้เราใช้ในการที่จะคลายความยึดถือนี่ตรงนี้<ม>อเพราะว่าบวเพียนชนะของผู้เชา่าเนี่ยเนียมากคุณตาใจ เ, เวลาพระองค์จะกาหนดบวชเพญชนะเนี่ยนะโอ้ยทุกคําพูดเนี่ยต้องเข้าสมาธิทุกครั้งก่อนพูดเลยทีนี้ว่าพอเวลาแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วมันกำกวมนิดนึงคือภาษาไทยของเราเนี่ยเราบอกว่าที่พึ่งที่ยึดพึ่งยึดถือใช่ไหม ถือเอาเป็นที่พึ่งกับยึดถือเนี่ยมันมีคําว่าถือถือเหมือนกันนะพอมันถือถือเหมือนกันก็เลยยึดถือบ้างถือเป็นที่พึ่งบ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้สับสนแต่ภาษาบาลีเนี่ยชัดเจนเลยนะคือคําว่าอุปาทานคือคําว่ายึดถือกับคําว่าถือเอาเป็นที่พึ่งคือคําว่าสารณะนะคำว่า อ, อุปาทานกับสารณะนี่เป็นคนละคำชัดเจนนะอุปาทานนี่เป็นเหตุของความทุกข์สารณะนี่เป็นทางแก้ทุกข์แต่พอแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วมันเป็นคําว่ายึดถือกับคําว่าถือเอานยึดถือนี่ ก็ถือเอามันก็เลยซ้ําๆกันนิดนึงก็เลยงงๆไปนิดนึ่งเจ้าค่ะก็เรียกว่าโยมใช้คําผิดไปนิดนึงใช่ไหมเจ้าค่ะตาบาลีถูกๆยังไม่ถึงร้อยเซเจ้าค่ะต้องกราบขออภัยก็ท่านผู้ฟังก็เข้าใจตามที่พระอาจารย์ไพบุตรพิบุรโนได้เรียนชี้แจงมานะเจ้าค่ะเด่นานเจ้าค่ะก็เมื่อวานนี้เจ้าค่ะมาคุยกันต่อเนีเจ้าค่ะเราได้พูดกันถึงเรื่องของหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูก และที่สําคัญก็คือหน้าที่ของลูกเนี่ยทีทย่มีต่อคุณพ่อคุณแม่เจ้าค<ช>่ะบิดามารดาแล้วเราก็พูดกันถึงเรื่องทิศว่าบิดามารดานั้นก็คือทิศเบื้องหน้าใช่ไหมเจ้าคะ่ะดังนั้นเช้าวันอาทิตย์นี้เรามาคุยกันต่อเรื่องของทิศ ต, ต่างๆดีไหมเจ้าคะ่ะ<ช>เพราะว่าเห็นพระอาจารย์ไพบุ์ว่าทิศเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรอบตัวเราเลยจะทำให้เราเนี่ยทำตัวได้อย่างมีความสุขในสังคมนี้เจ้าคานิมนต์เจ้าค่ะเรื่องทิศเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยบางคนเห็นว่าเป็นธรรมะที่แบบหมู่หมูของคาร จ ร, จริงๆเราสําคัญมากเพราะว่าผู้เช า, าบอกอย่างนี้บอกว่าอทิศเนี่ยนะถ้าเรารักษาดีแล้วเนี่ยเราจะไม่มีภัยเกิดขึ้นนะทิศนั้นเนี่ยชื่อว่าเป็นทิศที่ปิดกั้นดีแล้วค่ะลองลองดูตัวเรานะลองดูตัวเราเองสมมติเรากลับบ้านไปเนี่ยเอคุณรู้สึกว่ามารดาบิดาเราเป็นภัยกับเราไหมคือผู้อะรเราจีด๊ดหรือคนคนพันรยาของเราหรือสามีของเรานะทำอะไรที่เราจี๊ดไหมถ้าเป็น หรือลูกของเราทําอะไรเราจี๊ดไหมแสดงว่าทิศนั้นยังเป็นภัยกับคุณอยู่อืเจ้าค่ะคุณยังไม่ได้ปิดกั้นทิศนั้นโดยโดยทำยังเป็นทิศที่ไม่เกษมที่เกษมเนี่ยคือว่ามองไปแล้วมันสบายใจอะ่ะเจ้าค่ะนะทีนี้พอเราไม่ได้ทําให้มันมันดีแล้วเนี่ยมันจะมีอาการแบบจี๊ดบ้างไม่พอใจบ้างทําให้มันเป็นอย่างนี้มีอาการจื๊ื๊อนิดนึงอย่างเงี้ยเจ้ค่ะอารมณ์เสียตลอดเวลาอ่าซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้แสดงว่ามีภัยเกิดขึ้นเราต้องมาดูเลยว่า ลูกน้องเราเป็นยังไงนี่ทีต่ต้อง6กนะลูกน้องคุณทําให้คุณปวดใจไหม <Okay. S 1> นะถ้ามีแสดงว่าคุณทําอะไรไม่ถูกสักอย่างใดอย่างหนึ่งในในหน้าที่นี้ลูกเราเป็นยังไงคู่ครองขอเราเป็นยังไงเพื่อนเร า, าอยู่ด้านซ้ายเป็นยังไงนะแล้วก็ครูอาจารย์เราเป็นยังไงนะเราจะต้องเลยต้องทราบตรงนี้ให้หมด <Okay. S 1> ที่เราพูดไปเมื่อวันนั้นเนี่ยก็คือแค่เรื่องของมารดาบิดาคือทิศเบื้องหน้ายังพูดไม่หมดเลยด้วยซ้ําเพราะว่ารู้สึกจะตกไปอันหนึ่ง เมื่อวานเราพูดแค่4ใช่หหน้าที่ที่รรดาบิดาควรกระทำกบรเนี่ยคือ2 <Okay. S 1> อ, อย่างแรกคือห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ให้ศึกษาหาความรู้แล้วก็มอมประดกให้ตามเวลานี่4อย่างใช่ห <Okay. S 1> ยังไม่ได้พูดถึงอันถัดมาคื อ, อให้มีคู่ครองที่สมควร <Okay. S 1> คือมารดาบิดาเนี่ยให้มีคู่ครองที่สมควรเนี่ยบางคนอาจจะมีความคิดว่าเอ๊ะสมัยนี้มันสมัยยุคโลกาพิวัติแล้วนะ <Okay. S 1> คือเด็ก ลูกรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ไปเลือกคู่เอาเองไม่ได้ว่าแช่ต้องให้มารดาบิดามาหาให้เจ้าค่ะทีนี้บางทีเนี่ยพอเราหามาแล้วเราก็ต้องมาให้มารดาบิดาดูเหมือนกันนะเจ้าค่ะเพราะนั้นตัวนี้ก็ต้องมีการผ่านการให้อนุญาตนั่นคือบางคนมีหาคู่มาแล้วไปให้แม่ดูแม่ไม่ปลื้มเดี๋ยวมีปัญหาครอบครัวอีกเจ้าค่ะเรียกว่าไฟเกี่ยวไหมอะไรอ่อ า, าใช่ทีนี้ก็เลย <c oughs> ต้องให้มีการเลือกคู่ครองที่เหมาะสมทีนี้ถามว่าเอ้ยถ้างั้นถ้าคนไม่แต่งงานจะยังไง ถ้างั้นถ้าไม่แต่งงานี่แสดงว่ามารดาบิดานี่ไม่ได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์หรือก็จริงๆแล้วเราต้องมาดูตรงนี้เพราะว่าจริงๆพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ขบ ม, มากะนะว่าอย่างสมมุติบอกให้หาคู่ครองที่สมควรอ้าวทาไมแล้วตอนแรกแนะนําให้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีคู่นะให้ออกบวชแล้วทําไมคราวนี้มาบอกให้หาคู่อย่างเงี้ยอืมเจ้าค่ะแล้วเวลาเราขบธรรมะเนี่ยเราเราวิเคราะห์พิจารณาประเด็นเนี่ยนะเราต้องมองให้ครบทุกมุมนะ ตรงนี้ผู้รู้เจ้าแนะนําอยู่แล้วให้ประพฤติพรหมจรรย์นะครับว่าเป็นทําไมาทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะอยู่ครองเรือนและจะประพฤติพรหมจรรย์ให้สมบูรณ์เนี่ยมันทำแต่ยากดังนั้นก็คือแนะนําว่าให้คุณประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่ไปครองเรือนนะแต่ตรงนี้หมายถึงอะไรที่ว่าให้มีคู่ครองที่สมควรเนี่ยผู้รู้เจ้าเคยพูดไว้หลายนัยยะนะว่าบุคคลที่จะเป็นคนดีเนี่ยนะมีกายวาจาใจที่ดีอะไรต่างเหล่านี้แล้วก็มีเรื่องที่สําคัญก็คือมีศีลมีศรัทธามีจาระมีปัญญามีศีลมีศรัทธามีจาคมีปัญญ ถ้าคู่ครองของเราเนี่ยมีศีลมีศรัทธามีจักขปัญญาอันนี้ดีมากในประเด็นมันดาบิดาจะหาคนให้เนี่ยก็ต้องดูคนที่มีศีลมีศรัทธามีจักขามีปัญญาสี่อย่างนี้ถึงจะเป็นคนที่สมบูรณ์ต่อให้มีรูปร่างหน้าตาที่โอโหงดงามมากหล่อเล้าเอาการมากเนี่ยถ้าเป็นคนไม่มีศีนนะโอโหเป็นนักเกลียดมากเลยเพราะว่ามันจะอยู่กันไม่ยืดแล้วก็ครอบครัวนี่ก็จะมีแต่เล้าฉานแต่งงานกันไปแค่หกเดือนเตียงหักอย่างเงี้ย ทั้งดังที่ว่าทั้งสองคนก็หน้าตาดีหมดเลยแต่อยู่กันไม่ได้เห็นเยอะแยะดาราทั้งหลายแหล่เพราะว่าความที่ไม่มีสีไม่มีสไตล์ไม่มีใจค้าไม่มีปัญญามันก็เลยไปไม่รอดในที่นี้เวลาเราจะดูคนเนี่ยก็ต้องดูตรงนี้นะพะคนไหนสักคนใดคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติสี่อย่างนี้นะคุณตืใจมีสีมีสไตล์มีใจค้ามีปัญญาเนี่ยจิตเขาก็จะน้อมไปเพื่อนิพพานอยู่ดีแต่ต่อให้คุณจะแต่งงานไม่แต่งงานมันก็ได้อย่างนั้นนะนะเพราะนั้นในประเด็นเนี้ยตรงที่ว่า อ่าถ้าเราไม่ได้เจอคนที่มีศีลมีสรัทธามีชาติมีปัญญาจะตมาแนะนําว่าให้อยู่เป็นโสจ้าคือมีมีผิดเนี่ยสู้ไม่มีจะดีกว่าอ๋อเจ้าค่ะแต่ถ้ามีอืมเจ้าค่ะถ้ามีสักสามข้อนี่พอไหวไหมเจ้าค่ะก็เราก็จะช้าในข้อนั้นไงข้อที่ไม่มีเราก็จะช้าในข้อที่ไม่มีได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเรามีถ้ครบสีข้อเราก็จะไม่ช้ามากเท่าไหร่อืมเจ้าค่ะแต่มันก็ยังช้าอยู่ตอนที่จะต้องตายจากกันนะนะอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะอย่างไรก็ตามตอนที่ ตอนที่จะต้องจากกันเนี่ยมีความตายมาพรากเป็นต้นเนี่ยแต่ถ้าเรามีสรัทธามีสีมิจฉาปัญญาเราก็จะไม่เจ็บปวดมากเพราะเรายังมีคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่คุ้มกันใจิตใจเราอยู่อันนี้คือหน้าที่ของบิดาบิดาในเรื่องให้มีคู่ครองก็ต้องคุ้นต้องดูที่ตรงนี้นะถัดมาพระเจ้าพูดถึงในเมื่อเราพูดถึงเรื่องคู่ครองเราก็พูดถึงเรื่องของทิศเบื้องหลังดีกว่านันคือทิศระหว่างของภรรยากสามี น, นี้ภรรยาสามี พระรูปเจ้าบอกว่าถ้าบอกว่าภรรยาสามีเนี่ยอดูแลกันดีคือหมายว่าปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองเนี่ยนะ <Okay. S 1> ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าจะไม่เป็นภัยซึ่งกันละกันนะแต่ถ้าไม่ทําไม่ทำห้าอย่างนี้ทั้งสามีและภรรยาคนที่อยู่ข้างเตียงเราเนี่ยจะเป็นภัยกับเรา <Okay. S 1> oh, อันตรายมากเลยนะและ <Okay. S 1> ทิศเบื้องหลังนี้มองไม่เห็นด้วยอทีนี้หน้าที่คืออะไรบ้างนะอันดับแรกเอาภรรยาก่อนนะที่ต้องปฏิบัติ ต, ต่อสามีเนี่ย เอขอไปสามีปฏิบัติต่อภรรยาก่อนนะอ <Okay. S 2> สามีนี้ต้องทําต่อภรรยาเนี่ยด้วยการยกย่องหนึ่งสองด้วยการไม่ดูหมิน่นอันนี้มาด้วยกันด้วยการยกย่องด้วยกันไม่ดูหมิน่นคเอคือยกย่องเ้าเวลาที่เขาทําอะไรดีๆนะไม่ดูหมิ่นเขาเวลาที่เขาทําอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <Okay. S 2> ยเช่วงยิ่งนี่ผู้หญิงเนี่ยรักสวยรักงาม <Okay. S 2> แล้วเขาไปตัดผมมาใหม่ๆแล้วคุณพูดอะไรออกไปที่แบบว่ากระเทือนใจเขานี่แสดงว่าคุณดูหมิ่นเขาแล้ว okay. นะ่หรือว่าเขาเขา เตรียมการมอาอ่งเต็มที่เลยเพื่อให้งานนี้ออกมาดีอย่างเงี้ยแล้วมันออกมาเฉยๆธรรมดาๆนี่คุณไม่ได้พูดยกย่องเขาแสดงว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะด้วยความยกย่อง <Okay. S 1> ในหน้าที่ที่ว่าทำการยกย่องแค่พูดนิดๆหน่อยๆพูดให้กำลังใจกันเนี่ยมนันเป็นการดีมาก <Okay. S 1> นะฝ่ายภรรยาก็จะมีกําลังใจแล้วฝ่ายสามีก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราก็ไม่ได้พูดโกหกด้วยเราก็พูดให้กําลังใจนะว่าส่งผมวันนี้ดีจังเลยอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยมันมีแ <Okay. S 1> ง่มุมดีทั้งนั้นอ่ะในทุก <Okay. S 1> สิ่งอะ่ะ เราก็ไปพยายามขุดหามาให้ได้อย่างเงี้ยนะมองในแง่ที่ดีนะเจ้าคะใช่เจ้าคอย่างสมมติทําผมใหม่เนี่ยนะคุณเตือนใจแม้ถ้าพูดถึงพระนี่ก็โกนง่ายๆจบแล้วนะแต่ถ้าเป็นคาราวานนี่เขาต้องไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะผู้หญิงอ่ะไปเซตใดทําผมแล้วออกมานี่โอ้โหอย่างกับรังนกอย่างเงี้ยนะสมมตินะเจ้าค่ะผู้ชายก็จะบอกโอ้โหทำไมคุณทําผมเป็นรังนกอย่างนี้เลยอ่ะไม่ไม่รู้ว่านกนกอีแรงหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้รังนกอีแรงเนี่ย ซึ่งซึ่งไม่ได้เสียเลยนี่คุณดูหมิ่นเขาเลยนะอย่างน้อยคุณควรจะพูดว่าโอ้โหไปทําผมมาใหม่นี่ช่างทําผมนี่ใช้ความพยายามมากเลยนะแค่พูดแค่เนี้ยไม่ได้โกหกเลยนะเพราะมันทํานานใช่ไหมมันก็ตีความได้ว่าเป็นของดีไปได้ใช่ไหมพูดอย่างเนี้ยเขาก็ไม่สะเทือนใจมากด้วยแล้วมันก็ตีความในลักษณะว่าออกมาเป็นดีๆด้วยเราไม่ได้โกหกด้วยความสัมพันธ์ในครอบครัวมันก็จะบวกหนึ่งขึ้นมาแะทีนี้ไอตรงหน้าที่พวกเนี้ย ที่ว่าด้วยการยกย่องด้วยการไม่ดูหมินเนี่ยถ้าเราไม่ทำแตนะ่ถ้าเราดูหมินแล้วเราก็มายกย่องด้วยแต่เนะขาทำมาอย่างดีเลยคิดว่าใส่ชุดมาอย่างสวยงามเลยคิดว่าเราจะยกย่องแต่เราก็นิ่งๆซะไม่ทําอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยคุณติดลบ <Okay. S 1> หนึ่งคะแนนนะผู้ชายจะติดลบหนึ่งคะแนน <Okay. S 1> แล้วนอกจากนี้ยังมีอีก3ข้อนะคือด้วยการไม่นอกใจด้วยการไม่นอกใจแล้วก็ด้วยความมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้นะต้องให้ทํากิจการงานในบ้านนะดูแลบ้าน หรือว่าดูแลกิจการงานอะไรที่ที่ได้มอบหมายหรือปรึกษาแบ่งหน้าที่กันนะว่า <Okay. S 1> อตอนนี้เธอทำอะไรฉันทำอะไรเนี่ยแล้วก็อัจสุดท้ายด้วยการให้เครื่องประดับนะนี้สำคัญมากสำหรับผู้หญิง <Okay. S 1> ด้วยการให้เครื่องประดับ ต, ต้องให้ <Okay. S 1> คืออาจจะแพงมากแพงน้อยเราก็หามาให้อะนะของ <Okay. S 1> ยิมก็เป็นของที่เพิ่มค่าตามราคา <Okay. S 1> ทีนี้ถ้าผู้ชายทาหน้าที่5้าอย่างนี้แล้วเนี่ย อลองพิจารณาดูสําหรับท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ชายเนี่ยได้ทํำไหมถ้าคุณไม่ได้ทําถ้าคุณไม่ได้ทํานะหรือทําตรงกันข้ามสักอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องเอาทั้งหมดห้าอย่างก็ได้นะครอบครัวคุณมันจะมีแบบรายร้าวนิดๆแน่นอนเลยมันจะมีคึ่มพึมอะไรบ้างไม่พอใจมีการค้อนกันคว้าการพูดแหนะแนกันบ้างแน่นอนเลยแน่นอนแน่นอนแต่ถ้าทําหมดห้าอย่างนี้นะเออแสดงว่าดีละจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นภัยอ่ว่าไงเถอะนะ โอ้ยหายอย่างนี้ยากมากเจ้าค่ะสมัยนี้ออโอเคเจ <c oughs> ้าค่ะทีนี้ต่อไป <c oughs> ออทิศเบื้องหลังคือภรยภรยานางภรรยาเนี่ควรจะปฏิบัติยังไงกับสามีเจ้าค่ะมีหน้าที่อะไรบ้างเจ้าค <c oughs> ่ะหาประการเหมือนกั น, นแรกก็คือว่าจัดแจงการงานอย่างดีคื อ, อพอสามีมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้แล้วเนี่ยคุณต้องจัดแจงการงานอย่างดีอันนี้ก็ที่หนึ่งเลยอย่าทําแบบสังกตายขอไปทีหรือว่าตัวเองไม่ได้ทําก็ตามอ่ะ ตัวองอาจจะไม่ได้มีไปแรงไปถูพื้นหรือว่าทําความสะอาดต่างๆหรือซักผ้ารต่างๆเราก็ต้องจัดแจงกันงานอย่างดีทําเองก็ได้ให้คนอื่นกระทำก็ได้ะนะทำเองก็ได้หรือเป็นผู้จัดการก็ได้ก็คือเราสั่งการให<ช>้เขาทำตรงนู้นตรงนี้นะเจ้าค่ะเป็นเป็นลักษณะของผู้ที่คอยจัดการอย่างเงี้ยน ะ, ะอย่างเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นผู้ดูแลอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทําเองแต่ว่าคอยดูแลคอยสั่งการพวกนี้อันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดี นะสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีดูแลบริวารนะของสามีอย่างดีลูกน้อง เ, อเพื่อนฝูงเจ้านายนะเราต้องคอยดูแลบุคคลพวกนี้อย่างดีก็จะทําใหเา้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าผู้ชายบางทีมันหลงลืมหรือว่าทําอะไรได้ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ผู้หญิงก็ต้องมาคอยดูแลตรงนี้นะอันนี้หมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องของฝ่ายชายด้วยใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องอทั้งพ่อผัวแม่ผัวนี่คุณต้องดูแลอย่างดีคือแต่งงานกันเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะ คู่คู่เดียวนะมันเรื่องของคนสองครอบครัวคุณเตือนใจ <Okay. S 1> นะสองครอบครัวเลยที น, นี้มันไม่ใช่ว่าแค่ตัวภรรยายกับสามีเท่านั้นแล้ถ้าคุณบอกคุณจะแต่งงานกันแล้วเนี่ยเอาล่ะเรื่องเริ่มยุ่งละ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่น้องเขาพี่น้องเราพ่อแม่เขาพ่อแม่เราจะ <Okay. S 1> มีลูกติดมาด้วยดีกวลูกเธอลูกฉันลูกเรา <c oughs> มันกลายเป็นหลายอย่างไปแล้วนะ <Okay. S 1> เพราะนั้นเราต้องทําหน้าที่ตรงนี้สงเคราะห์คนข้างเคียงทั้งหมดเลยและทําอย่างดีไม่ใช่เลือกเฉพาะคน นะเพราะมันจะอยู่เป็นครอบครัวกันได้มันต้องมีสายใยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเนี่ยนะตรงนี้แหละจะเป็นหน้าที่ที่สําคัญอืเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าดูแลเฉพาะญาติพี่น้องเราอะไรแหมดีมากเลยแต่ญาติพี่น้องเขาปล่อยประละเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้เนี่ยเจ้าค่ะหรือว่าจะพากันไปแต่หาญาติพี่น้องเรายอดพี่น้องเขาไม่ไปอันนี้มันก็ไม่ได้ไม่ควรนะเราต้องเป็นผู้ที่เริ่มผู้ที่ทําตรงนี้ผู้เช่าเนี่ยมองการไกลนะคุณเดือนใจแค่แค่เขียนข้อเดียวตรงนี้มันกินความมากเลยทีเดียว <Okay. S 2> นะข้อที่สามก็คือไม่ประพฤติต้องใจเหมือนกันนะข้อที่สามนี่เสมอกัน <Okay. S 2> แล้วก็ข้อที่สี่นะของฝ่ายหญิงนี่ก็คือตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่นะก็ อ, อบเครื่องประดับให้แล้วไม่ใช่าไปขายกินหมด <Okay. S 2> นะอย่าไปเล่นไพ่อย่าไปเล่นการพ น, นันนะเรารู้จักตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ <Okay. S 2> แล้วก็อย่างสุดท้ายนี่เป็นผู้ขยันขันแข่งในการงานทั้งปวงเรื่องตามรักษาทรัพย์ก็ตามขยันขันแข่งในหน้าที่ทั้งปวงเนี่ย จะเป็นตัวแสดงถึงความเข้มแข็งของความเป็นผู้หญิงความเข้มแข็งของความเป็นผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงถ้าพูดถึงเรื่องทางด้านร่างกายเนี่ยก็เข้มแข็งไม่เท่าผู้ชายใช่ไหมแต่นี้เรื่องจิตใจเนี่ยจะเป็นตัวที่เข้มแข็งกว่านนในเรื่องการขันแข็งขยันแข็งเ น, น้นหน้าที่ตองปวงรู้จักจัดแจงการงานอย่างดีนะซับแล้วก็รักษาเก็บหามรอมริษฐอก็คอยคอยที่จะตามรักษารับอย่างนี้ ถ้าทั้งสองฝ่ายทําหน้าที่กันอย่างนี้แล้วสามีก็ทำภรรยาก็ทำรับนะรองเลยว่าครอบครัวนั้นทิศทางนั้นนะไม่มีภัยเกิดขึ้นในะสบายใจได้เลยจะมีแต่ความสมบูรณ์สมากีกันในครอบครัวนะระหว่างสามีภรรยาแล้วก็ครอบครัวของทั้งสองฝั่งด้วยเจ้าค่ะก็เรียกว่าอยู่กันจนถือไม่เท่ายอดทองกระบอกยอดเพชรนะเจ้าค่ะแต่โบราณเราว่าเจ้าค่ะอแล้วก็ทีนี้ว่าปัญหาคือว่าเาถ้าภรรยาทำแต่สามีไม่ทำํำ หรือสามีทําแต่ปริยาไม่ทําเอาแล้วสิมันเริ่มยุ่งแล้ทีนี้เจ้าร่านะ <Okay. S 2> คือคือเราทําตรงเนี้ยนะเราได้บุญได้บุญเพราะว่าเราปฏิบัติตามธรรมเราปฏิบัติตามธรรมเรามีธรรมะเราเดินตามมรรคเราใกล้นิพพานแตนะถ้าเราทําผิดหรือเราไม่ทําเราเดินเฉยชัออกนอกทางคุณเดินเฉียดเข้าไปในนรกนะคุณเดินเฉียดเข้าไปในทางที่ไม่ดี คือสมมติเราจะไปทําไรทํานาทําสวนเนี่ยมันต้องไปหาที่ราบใช่ไหมแต่ถ้าคุณทําไม่ผิดทําผิดทําไม่ถูกเนี่ยก็เท่ากับว่าเดินเข้าสู่เหวแล้วขึ้นไปหน้าผาแล้วเนี่ยถ้ามันใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปมันตกได้ตกนี่คือหมายถึงไปนรกแต่ถ้าเราเชียดเฉียไปเชียดเฉียดมาก็คือใกล้หน้าผาเข้าไปเข้าไปเข้าไปเพดังนั้นถ้าเราคนอื่นเขาทําไม่ดีแล้วเราอาศัยเหตุว่าคนอื่นเขาทําไม่ดีเราเลยทําไม่ดีด้วยไม่ได้ไม่เหมาะสมไม่ควรอย่างยิ่งเอาบาปมาใส่หัวตัวเอง <Okay. S 2> นะสมัยนี้มีเยอะด้วยซ้ำนะห้าสิบอร์เซนของไม่รู้อัอตราส่วนมาเท่าไหร่นะคุณเนินใจที่ว่าสามีภรรยาที่แต่งงานกันแล้วก็เลิกเนะี่ยถ้าในต่างประเทศในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ถามว่าเขา <Okay. S 2> ขเขาพัฒนาแล้วนี่นะห้าสิบเปอร์เซ็นะที่เลิกกันอนะ่ะอืมเจ้าค่ะไม่รู้พัฒนายังไงนะเจ้าค่ะ อยู่กันไม่ยืดเหมือนโบราณอาจจะงงทนเจ้าค่ะอาจจะไม่ไ ม, ไม่มีศีลธรรมหรือว่าไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, มีความอดทนเท่ามึงเจ้าค่ะก็แน่นอนเลยเพราะว่าหน้าที่พวกนี้ไม่ได้รักษาเจ้าค่ะถ้าคุณไม่ได้ทําก็คือคุณไม่ได้อยู่ในมัดคุณไม่ได้ทําตามหน้าที่ที่สถาน ท, ที่ควรจะเป็นน่นมันก็เลยมีการแตกเป็นภัยมีภัยแล้ระแวงกันแล้วบนี้พอระแวงกันแล้วก็อยู่กันไม่ได้ละเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเขาไม่ทําเราทําถ้าเขาทําชั่วเราให้ขูดกล่าวว่าฉันจะทําดี <c oughs> เราก็าในเมื่อเขาไม่ทำใช่ไหมเราอย่าศัยเหตุว่าเขาไม่ทำความดีเนี่ยเราเลยไปทำความชั่วบ้างไม่ได้นะเราอยไปตามเขาเาอย่าไปคิดว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเขาจะมีบาปกรรมเราอย่าเอาบาปกรรมนั้นมาแบ่งมาแบ่งให้ตัวเราบาปกรรม <c oughs> ให้มันอยู่ไกลๆเจ้าค่ะคือพระอาจารย์ไัยบูรณ์ แนะนำอย่างนี้นี่หมายถึงว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะเจ้าค่ะหรือว่าคารวาท่านใดเนี่ย เ, เกิดโชคไม่ดีมีสามีหรือก็ตามหรือภรรยาก็ตามเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาทำไม่ดีไม่ได้ทําตามธรรมหน้าที่ท อ, งองค์เจ้าค่ะแต่ก็ขอให้เรามุ่งที่จะทําหน้าที่ที่ดีของเราต่อไปถูกต้องแล้วก็คิดว่าเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดเราก็ห่างไกลนรกนะเจ้าคะ<ช>่ะก็คือไปในสิ่งที่ดีไปทางสวรรค์แต่ถ้าเขาทําไม่ดีกับเราอย่างนั้นก็คือเราต้องอดทนแล้วก็คิดว่า ก็ต้องปล่อยเขาไปตามตามทางของเขาใช่มเจ้าคะใช่เจ้าค่ะน<ช> ะ, ะเราต้องอดทนเจ้าค่ะเราต้องอดทนเพราะว่าอดทนเนี่แหละจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวสร้างบา ร, รมีของเราด้วยนะอ่าตัวสร้างบา ร, รมีตัวที่จะทําให้เราอ่าเป็นคนที่มีความมั่นใจมีความตั้งมั่นยิ่งเป็นเหตุที่ทําให้เราใกล้ถึงธรรมะมากขึ้นเพราะมีความทุกข์นี่มีความทุกข์ถ้าคุณมีศรัทธาคุณเห็นธรรมะได้เจ้าค่ะตัวนี้จะเป็นเหตุที่ทําให้เราใกล้ธรรมะมากขึ้นโดยซ้ํา เพระนั้นเราทําดีตั้งมั่นในความดีเป็นโอกาสที่เราจะได้ประพฤติสร้างบารมีอันยิ่งยวดแล้วอมขอให้คิดอย่างงาันชานะเจ้าคะ่ะเรจะสบายใจอันนี้คือหน้าที่ของระหว่างสามีภรรยาเจ้าค่ะถ้าทําอย่างนี้ทั้งสองฝ่ายานะก็จะเป็นทิศที่เกษรรมไม่มีภัยเกิดขึ้นเจนะก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขทีนี้ต่อไปนะพระเจ้าพูดถึงทิศเบื้องขวานังคือครูอาจารย์นะังครูอาจารย์เนี่ยไม่ได้หมายความว่า บุคคลที่อาวุโสกว่าเราเป็นอาจารย์ในหมหาวิทยาลัยหรือตามสถาบันการศึกษาต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นด้วยนะคือคืออันนั้นก็ด้วยแล้วก็บุคคลอื่นที่เราครบนับถือว่าท่านผู้นี้เป็นอาจารย์ของเราอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าอายุมากกว่านี่ไม่มีปัญหา <Okay. S 1> นะหรือว่าจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือว่าบุคคลนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะเราก็ควรจะปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันอ mm, คือคนที่เรานับถือว่าเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยนะก็ให้ปฏิบัติอย่างนี้นะคืออันดับแรกนะ สิทธิ์เนี่ยพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะอย่างนีนะ้คือถ้าเรานับถือเขาว่าเป็นอาจารยนะ์เป็นคนที่เราสามารถเรียนรู้สิ่งใดๆกับจากเขาได้นะเราก็ควรจะปฏิบัติกับเขาอย่างนี้ก็คือ1ลุกขึ้นยืนรับนะลุกขึ้นยืนรับแล้วก็2ด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้นะลุกขึ้นยืนรับกับการเข้าไปยืนคอยรับใช้นี่ไม่เหมือนกันตรงที่ว่าลุกขึ้นยืนรับเนี่ยก็คือว่าต้อนรับนะมาถึงเพิ่มเรายืนลุกขึ้น อย่างเวลา okay. อ่าใช่อย่างเวลาเจ้านายเดินมาปุ๊บเรายืนยืนทําความเคารพอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะไม่เหมือนกับการเข้าไปรับใช้ก็คือว่าการเข้าไปรับใช้นี่คือเขาไปอุปถารน ะ, ค อ, ค, ออะคอยเอ่อคอยอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเงี้ยแล้วมันจ ะ, จะไม่เหมือนกันนะอืมเจ้ค่ะการเข้าไปยินคอยรับใช้คนเข้าไปใกล้ผู้ที่มีความรู้หรือผู้ที่เราต้องการเรียนรู้ตรงเนี้ยอระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยเขาจะเห็นว่า เราเนี่ยเป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายนอย่างอย่างใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมหาครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยในระบบพระสงฆ์เองเนี่ยนะถ้าคุณมาอุปถัมครูบาอาจารย์เขามาคอยใกล้ชิดอย่างเงี้ยก็จะถือว่าเป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่าย ừ, น ะ, ค, ะคอยที่จะควรกว่าหาความรู้มีธรรมะในจุดต่างๆและบางทีท่านก็อาศัยเวลาเหล่าเนี้นิดหน่อยเนี่ยบอกสอนได้ก็ค่ะก็มีเมตตาเอ็นดูที่จะสั่งสอนเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะแล้วก็ข้อที่สามก็คือด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่ง นะด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่งเอ้ยบางทีคําสั่งบางคำสั่งหรือคําสอนบางคำสอนนี่มันมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เจ้า่นะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นนะเราลองทําดนะูอาจจะเป็นปริศนาธรรมหรือว่าเป็นข้อทดสอบใดๆนะที่ให้เราลองไปทําก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความศรัทธานในบุคคล น, นี้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระเจ้า พ, พระสงฆ์หรือเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นคนที่อายุาน้อยกว่าก็ตามเนี่ยเราลองเชื่อฟังอย่างยิ่งดูนะเราจะได้เรียนรู้หลายๆอย่างด้วยค่ะ ข้อต่อไปก็คือด้วยการปฏิบัติไปคอยปฏิบัติรับใช้ปฏิบัติในที่นี้จะไม่เหมือนกับการที่ไปคอยรับใช้นะ <Okay. S 1> การคอยรับใช้เนี่ยก็คือในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนนะการปฏิบัติเนี่ยก็คือเป็นการอุปถภอุปถัมภ์เช่นว่าสำหรับพระสงฆ์อย่างเงี้ยเวลาที่เข้าไปซักผ้าให้ครูบาอาจารย์หรือว่าถูพื้นกวาดทาความสะอาดกุฏิให้นะ <Okay. S 1> ก็คือการรับใช้การปฏิบัติตรงนี้ เจข้อสุดท้ายก็คือการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพศึกษาหนังสือโดยเคารพอย่างคนไทยอย่างเงี้ยถ้าวางหนังสือกระพื้นหรือว่านั่งทับหนังสือเหยียบหนังสือก็ถือว่าไม่เคารพเนี่ยเราก็ทําให้มันดีกันแล้วกันเนาะใช่เจ้าค่ะอตอนเด็กๆโยมยังพอโดนอะไรนิดนึงต้องไหว้ไหวหนังสือเลยเจ้าค่ะก็คือศึกษาศิลป <c oughs> วิชาคืนเจ้าค่ะเจ้าค่ะเป็นลักษณะของการที่พยายามที่จะศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพ ทีนี้ครูอาจารย์นะบุคคลที่เขาทำหน้าที่เป็นครูเนี่ยหรือว่าตัวเองอาจจะคิดว่าจะสอนสั่งสอนบุคคลคนนี้นะก็ควรจะปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้นะคือนแนะนำอย่างดีนะแนะนาอย่างดี2ให้การศึกษาดีให้ศึกษาเนี่ยหมายถึงพวกอุปกรณ์การเรียนการสอนหนังสือพวกนี้นะแล้วก็ข้อที่3ก็คือบอกศิลปะวิทยาโดยสิน้นเะชิงนะไม่มีการหมกไม่เอาไว้นะแล้วก็4เนี่ยทำให้เป็นที่รู้จักในมิสหาย คือเพื่อนของคุณครูเองเนี่ยหมู่เพื่อนชั้นเนี่ยชันก็แนะนําลูกศิษย so uh ์คนนี hmm. ้ใ <Chop> ห้ร uh ู uh ้จักนะแล้วก็ข้อที่5เนี่ยเป็นการทําการคุ้มครองให้ในทิศทั้งปวงนะเราจะเห็นครูอาจารย์ในสมัยก่อนหรือสมัยนี้บางคนก็เหมือนกันนะตักเรียนจะมีปัญหาที่บ้านหรือมีปัญหาใดๆเนี่ยคุณครูก็ไปช่วยเหลือเนาะเห็นเห็นได้อยู่หลายๆคนก็มีเจค่ะก็เป็นการทําหน้าที่คุ้มครองให้ในทิศทั้งปวงที่ทั้งปวงนี้ก็คือทิศอื่นทิศจากพ่อแม่จากเพื่อนอย่างเงี้ย นีไม่ใช่เฉพาะดูแลในห้องเรียนแต่จะดูแลทั้งชีวิตดูแลเรื่องครอบครัวด้วยดูแลเรื่องเพื่อนฝูงด้วยอย่างเงี้ยลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษานะไม่ใช่เฉพาะอาจารย์เฉพาะวิชาเลยนี่คือลักษณ ะ, ะของคุณครูคที่ดีแตนะถ้าทั้งสิทธิทําอย่างนี้คุณครูคทําอย่างนี้นะทิตนั้นก็จะเป็นทิศที่เกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นสถาบันการศึกษานั้นแล้ถ้าเอาหลักการนี้ไปใช้ คุณก็จะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความแน่นแฟ น, แฟนมั่นคงลองดูสิสถาบันการศึกษาในไหนที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีความอมั่นคงแน่นหนาในพวกสิทเก่าเนี่ยเนื่อ<ะ>เพราะว่ามีการกระทําพวกตรงนี้ทั้งทั้งสิ้นเลยแน่นอนต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาทํามากกว่าคนอื่นอื<ต>เจ้าค่ะก็เรียกว่าเหมือนกับเ อ, อเป็นสิ่งที่จะน้อมนํา คือธรรมะที่องค์พระสมณะสมุทธเจ้าได้ไดไดส่งชี้แนะไว้เนี่ยเจ้าคะ่ะสำหรับทิตของครูอาจารย์คือทิศเบื้องขวาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ทั้งครูและอาจารย์นั้นมีความสุขในการที่จะเรียนจะสอนอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังจะรักเคารพกันไปอีกนานแม้ว่าจะจบไปนานขนาดไหนแล้วนะเจ้าคะ่ะใช่ใเจ้ะคะเาค่ะเราดูได้เลยสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาจะมีการมีองค์ประกอบพวกเนี้อยู่แน่นอนอ่าแล้วถ้าสถาบันไหนต้องการมีชื่อเสียงหรือว่าต้องการผลิตนักเรียนที่ดีเนี่ยก็ลองทําอย่างนี้ คุณก็จะได้ผลอย่างนั้นเหมือนกันอืเจ้าค่ะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเองเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากจะขอความกรุณาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าเราอาจจะต้องคุยกันในเสาร์อาทิตย์หน้าแต่ว่าอยากให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาสรุปเจ้าค่ะหน้าที่ของสิทธิ์ต่ออาจารย์อาจารย์ต่อสิทธิ์อย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็สามีต่อภรรยาภรรยาต่อสามีจะได้โจรไว้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้เราได้พูดถึงสองคู่นะเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราด้พูดถึงมารดาปิดากบุตรคู่หนึ่งเมื่อคราวที่แล้วนะมาถึง วันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของสามีภรยานะสามีนี่ต้องยกย่องต้องไม่ดูหมิน่นภรรยาต้องไม่ประพฤตินอกใจนะต้องมอบความเป็นใหญ่ให้แล้วก็ให้เครื่องประดับส่วนภรรยานี่ต้องจัดแจงการงานอย่างดีสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีนะไม่ประพฤตินอกใจแล้วก็ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ยังรวมถึงการกระยานกันแก่งในหน้าที่ทั้งปวงนี่คือคู่ที่หนึ่งที่เราพูดแบบนี้นะส่วนคู่ที่2เราก็พูดถึงเรื่องระหว่างศิษย์อาจารย์นะศิษย์นี่ต้องลุกขึ้นยืนรับโดยการเข้าไปยินคอยรับใช้นเชื่่่ออฟงงงยยาิ ด้วยการปฏริบัติแล้วก็ศึกษาศิลปะวิทยาโดยก ร, รบส่วนอาจารย์นี่ก็จะต้องแนะนําอย่างดีให้การศึกษาอย่างดีบอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิงแล้วก็ทําให้เป็นที่รู้จักในมิสหายรวมถึงทําการกคุ้มครองให้ในที่ทั้งปวงเจ้าค่ะจริงๆถ้าฟังไม่ทันเนี่ยจะโพสต์ไว้ให้ในเว็บไซต์ได้เพียวธรรมะดมีดยอยู่อเจ้าค่ะก็ตามไปดูในเว็บไซต์ของวัดป่าดอนไหาโศกได้นะเจค่ะได้ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วละค่ะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟัง กลาบน้ำมการขอบพระคุณและกราบน้ำมศการลาพระอาจารย์ไพบุตอภิพันโนแห่งวัดป่าดอนหาโศกเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับมาพบ ก, กันใหม่ในสาวอาทิตย์หน้าซึ่งเป็นช่วงของการสากัะฉาก็จะมาคุยกันต่อในี่ละค่ะสําหรับทิศที่เหลืออยู่ก็คือทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างแล้วก็บงซ้ายที่เป็นเรื่องของเพื่อนนะเจ้าคะ่ะสำหรับวันนี้ขอกราบน้ำมการขอพระคุณอย่างสูงเจ้าคะ่ะพระอาะจารย์เจ้าคะ่ะเจ้าคสาธุเจ้าค่ะเกินไปิี่